วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สาสิบพฤษภาคมพุทธศักราชสอง7ห้าสเจเป็นวันพระวันธรรมสวนสะวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมจะได้มาศึกษามาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้นำอาใปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขกับตนเองวันนี้ทมที่เราจะมาฟังก็คือเรื่องความสำคัญของวันพระทำไมเราต้องมีวันพระด้วยวันพระมีความสำคัญอย่างไรพระพุทธเจ้าท่งบัญญัติวันพระไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ว่างจากการทำภารกิจการงานต่างๆ <c oughs> มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาคำสอนนี้ไปปฏิบัติเพื่อจะได้ รับผลประโยชน์ที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับชาวพุทธเราทุกคนพระพุทธเจ้าทรงมอบมรดกให้แก่ชาวพุทธถ้าเราต้องการรับมรดกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์ได้รับมรดกของพระพุทธเจ้าที่มอบให้แก่ชาวพุทธนั่นก็คือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานคือการบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลสี่ระดับด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงพระ น, นิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการที่จะได้รับมรดกแลอได้รับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจึงจําเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงท่งบัญญัติวันพระให้เป็นวันที่ให้ชาวพุทธเราหยุดทําภารกิจการงานต่างๆหนึ่งวัน เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ว่างจากการทํางานธรรมาหากินนี้มาให้กับการศึกษามาให้กับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้บรรลุถึงวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานที่เป็นการสิ้นสุด แห่งการเรียนไหว้าตายเกิดถ้าไม่มีเวลาศึกษาไม่มีเวลาปฏิบัติ ม, มรดกอันลลำคาของพระพุทธเจ้ า, าก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของชาวพุทธเราเมืม่อไม่ได้รับมรดกการเป็นชาวพุทธเราก็เป็นเหมือนกับการ อาการไลยค่าของการเป็นชาวพุทธเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับชาวพุทธเหล่านี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่าราคาเหนือกว่าสมบัติทั้งปวงในโลกนี้เพราะสมบัติทั้งปวงในโลกนี้ ไม่สามารถทำให้ผู้ที่ครอบครองสมบัติเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถเข้าถึงความสุขคือพระบร ม, มสุขของพระรนิพพานได้มีแต่ทรัพย์ของพระพุทธเจ้ามรดก ข, ของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งมอบไว้ให้กับชาวพุทธเรา้นนี้เท่านั้นที่ จะสามารถทําให้จิตใจของสัตว์โลกที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรได้หลุดออกจากกองทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสมัยนี้เนื่องจากวันทํางานมักจะไม่ตรงกับวันพระ วันวันหยุดทำงานไม่ตรงกับวันพระชาวพุทธเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรับตัวอย่าให้สูญเสียวันพระไปเช่นวันนี้ส่วนใหญ่ชาวพุทธเราก็ต้องไปทามาหากินไปทางานเพราะไม่ใช่เป็นวันหยุดทำงานวันหยุดทำงานเดี๋ยวนี้เขากาหนดให้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ ไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณนี้ยังมีการกําหนดให้วันหยุดตรงกับวันพระแต่สมัยนี้โลกเปลี่ยนไปมีการเกี่ยวข้องการทํามาค้าขายกับนานาชาติที่มีวันหยุดทํางานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ทางราชการก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดทํางาน จากวันพระมาให้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นพอวันพระมาถึงเช่นวันนี้นก็เป็นวันที่ต้องไปทำงานทำการทำมาหากิ น, นก็เลยไม่ได้มาทาหน้าที่ของชาวพุทธไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกั น, นก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะรับมรดก จากพระพุทธเจ้าได้ mm hmm. ชาวพุทธเราจึงต้องรู้จักการปรับตัวคือเราต้องมาปรับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ให้เป็นวันพระแทน mm hmm. อย่าไปยึดติดกับ mm hmm. อวันหยุดเดิมวันพระเดิมที่เราใช้เป็นตามหลักของจันทรคติ mm hmm. วันพระเราจะว่า mm hmm. เป็นวันขึ้นแรม mm hmm. แปดค่าเช่นวันนี้เป็นวันแรมแปดค่าก็เป็นวันพระหรือขึ้นแรงสิบห้าค่ำซึ่งนานถึงจะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์สักครั้งหนึ่งก็จะทำให้ชาวพุทธเราสูญเสียวันพระไปปีหนึ่งหลายหลายวันด้วยกันเวลาที่จะได้เอามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อรับมรดกนัน อันเป็นสมบัติอันน้ำค่าจากพระพุทธเจ้านี้ก็จะมีน้อยมากซึ่งอาจจะไม่พอเพียงที่จะทำให้การปฏิบัติได้ผลขึ้นมาดังนั้นวันพระของชาวพุทธเหล่านี้ควรที่จะปรับตัวกันให้มาถือวันหยุดทำงานของเราวันใดวันหนึ่ง เช่นเราหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลือกเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้เป็นวันพระให้เอาวันนั้นเป็นวันที่เราจะไม่ทำภารกิจอะไรต่างๆเราจะมาให้กับการภารกิจทางด้านศาสนาก็คือมาศึกษามาปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืน เวลาของพุทธเหล่านี้เราจะกำหนดเริ่มต้นวันใหม่ที่ตอนเช้าตอนที่ตะวันขึ้นแล้วก็จะเวียนวนเวียนมันจบกลับมาในวันนุ่งขึ้นในวันเช้าวันนุ่งขึ้นก็จะได้เป็นหนึ่งวันหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงสมมุติตอนนี้พระที่ขึ้นประมาณหกโมงเช้าเราก็รับวันพระ ตอนเช้าหกโมงเป็นวันเริ่มต้นของวันพระของเราถ้าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้หรือวันหยุดอันไหนก็ได้ให้มีวันหยุดหนึ่งวันให้เราไม่ต้องไปทํากิจอย่างอื่นให้เราให้มีเวลาให้กับการทํากิจของทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่เช้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้น อันนี้เรียกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนที่เราจะได้มีเวลา24ชั่วโมงให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>เพราะถ้าเราไม่มีวันศึกษาไม่มีวันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง<ม>ถ้าศึกษาแค่แค่วันฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติแค่วันละครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ ผลมันจะไม่เกิดเกิดยากแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติควบคู่กันไปตลอดระยะเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอันนี้ผลมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเยอะการปฏิบัตินี้มันต้องเป็นการปฏิบัติที่มีการต่อเนื่องต้องมีเวลาพอให้กับการปฏิบัติพอสมควรถึงจะสามารถที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ ถ้าปฏิบัติเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงต่อวันนี้เวลามันน้อยไปมันทำให้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีเวลาให้ปฏิบัติได้ตลอดตลอดเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนยกเว้นเวลาหลับเช่นเรามียี่บสี่ชั่วโมงเราแบ่งเวลาให้พักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมง เราก็จะมีเวลายี่สิบชั่วโมงสิบเก้าชั่วโมงหรือยี่สิบชั่วโมงนี้ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อทําใจให้ให้สงบให้หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไปแล้วพอเรารู้แล้วว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือ เราต้องรักษาศีลแปดกันเพราะว่าการรักษาศีลแปดนี้จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะให้ไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลแปดนี้จะเป็นข้อห้ามต่างๆเพื่อไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเสพรูปสีงกลิ่นลดถอดพระ เพราะว่าถ้าเราไม่ถือศีลแปดแค่เราถือเพียงศีลห้าเราก็ยังมีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมทางลูกเสียงกิ่นลดโผฏฐะได้เรายังร่วมหลับนอนกับแฟนได้เรายังกินอาหารตามความอยากของเราได้กินเวลาขี่ม้อก็ได้เราจะดูหนังฟังเพลง เราจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็ทำได้เพราะศีลห้ามไม่ได้ห้าม إن. เราจะแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามอย่างไรก็สามารถทาได้เราจะนอนกี่ชั่วโมงก็ทำได้ถ้าเราไม่มีศีลแปดเใจเราก็จะไปทำกิจกรรมทางการอารมณ์ทารูปเสียงหินรสโผทฐัพพะเวลาที่เราจะ ได้มาให้กับการปฏิบัติก็จะไม่มีเลยถึงแม้เราจะถือวันพระแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติ<ม>การปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน<ม>เราจึงจำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดขึ้นไปในวันพระ วันธรรมดาวันที่เราไปทํางานทำมาหากินนี้ถื้อสินห้าก็พอถือสินแปดไม่ได้เพราะมันไม่สะดวกเพราะต้องไปทํางานทําการต้องเอาเวลาไปทําอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะต้องเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายบ้างไปร่วมหลับนอนกับแฟนเป็นต้นไปกินอาหารตามความอยากต่างๆอันนี้ ให้เอาทาให้เอาไปทาในวันที่ไม่ใช่เป็นวันพระวันที่เราไม่ได้เอามาใช้ให้กับการปฏิบัติธรรมวันธรรมดาวันทำงานก็ถือศีลห้าวันพระวันหยุดทำงานก็ถือศีลแปดกันพอเมื่อเราเสียศีลแปดแล้วเราก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติให้กับการศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า เราก็จะมีเวลาที่ต่อเนื่องวันหนึ่งเกือบยี่เกือบยี่สิบชั่วโมงด้วยกันที่เราสามารถที่จะให้กับการปฏิบัติได้ถ้าเรารู้แล้วว่านอกจากการรักษาศีลแล้วเราต้องทำอะไรต่อไปนอกจากการรักษาศีลแล้วเราก็ยังต้องมีการฝึกสตินั่งสมาธินั่นเองเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบ พอเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะนั่งับไปชั่วคราวนี่คือวิธีการดับความทุกข์ต่างๆขั้นตอนนี้ต้องใช้วิธีของสติและสมาธิเพื่อดับความทุกข์ชั่วคราวไว้ก่อนเราถึงสามารถที่จะไปใช้วิธีที่สองเพื่อดับความทุกข์อย่างถาวรได้ โดยด้วยวิธีของปัญญาถ้าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติสตินั่งสมาธิแล้วก็มีเวลาให้เจริญปัญญาได้มรรคผลผนิพพานวิมุตติหลุดพ้นก็จะปรากฏตามขึ้นมาตามลำดับอันนี้แหละทำไมวันพระจึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธเรา ไม่ใช่เพียงแต่ใส่บาตรทำทานเพียงอย่างเดียวปกติวันพระนี้ญาติโยมจะใส่บาตรมากกว่าวันอื่นเพราะถือว่าเป็นวันสำคัญแต่ไม่รู้ว่าสำคัญนี้หมายถึงว่านอกจากการทำบุญใส่บาตรทำบุญทำทานแล้วยังต้องไปปฏิบัติธรรมด้วยไปรักษาศีลแปดไป ฝึกสมาธิไปเจริญปัญญาถึงจะได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแต่ใส่บาตรเพียงอย่างเดียวทำบุญใส่บาตรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติทำต่อไปมีการสังเทศสังธรรมสาหรั บ, บท่านที่ถือวันพุธเป็นวันที่ใส่บาตรควรจะทาเพิ่ม ใันสายบายตอนเช้าแล้วก็ควรจะไปฟังเทศฟังธรรมซึ่งสมัยนี้ก็สะดวกไม่ต้องไปวัดฟังเทศฟังธรรมก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีธรรมะเข้ามาในมือถือของเราแนละ้วเช่นตอนนี้ใครมีมือถือก็สามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมแบบสดสดร้อนอนได้แล้วถ้าเป็นเวลาที่ไม่มีการแสดงธรรมแบบสดสดร้อน้ ก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้ดูได้ตลาดทุกเวลานาะทีมีศรัทธาญาติยมคนหนึ่งนี่เขาเอาแฟดได้ไปที่มีการบันทึกธรรมเทศนาต่างๆไว้แล้วเธอก็บอกว่าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็เปิดฟังมันทั้งวันทั้งคืนไปเลยฟังแล้วเย็นใจสบายใจมีความสุข คลายความทุกข์คลายความความกังวลได้ในระดับหนึ่งแต่เธอยังไม่รู้ว่านอกจากการฟังธรรมแล้วสิ่งที่ต้องเธอจะต้องทําต่อไปก็คือต้องเอาธรรมที่ได้ยินได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปปฏิบัติต่อจึงจะได้รับประโยชน์ที่มากกว่าที่ได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเพลงอย่างเดียวการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ ผลอย่างเต็มร้อยให้ผลในระดับที่จะให้เรามีความรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้ใจของเรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เมื่อฟังแล้วก็ต้องเอาหลังจากนั้นหลังจากฟังเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาปฏิบัติ ซึ่งทําทางปฏิบัตินี้ก็จะสอนให้เนให้รักษาศิ่งแปดแล้วก็เอาเวลาที่ได้จากการรักษาสิ่งแปด น, นี้มาให้กับการเจริญสติก่อนสิ่งแรกของการปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการเจริญสติสตินี้พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่ง เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งปวงสองเปรียบสติเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดที่มีอยู่ในป่าได้สติก็เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญกว่าธรรมอย่างอื่นเพราะถ้าไม่มีสติแล้วทาอย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ แต่การรักษาศีลก็ต้องมีสติถึงจะรักษาศีลได้<ม>แล้วก็การจะนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบก็ต้องมีสติ<ม>การจะเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องมีสติคอยกํากับใจให้คิดไปในทางปัญญาดัง<ม>นั้นสตินี้ต้องต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน ถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้มาผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าขาดสติดังนั้นสิ่งแรกของการปฏิบัติธรรมนอกจากการรักษาศีลแต่แล้วก็คือต้องมีการเจริญสติ ต้องจเจริญแบบต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐานเป็นเครื่องกากับใจเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ใจไปคิดตามเรื่องราวต่างๆให้ใจตั้งอยู่ ในปัจจุบันให้ศักดตะวารุกรรมฐานที่นิยมใช้กันในวงการปฏิบัติของชาวพุทธเหล่านี้ก็คือการใช้พุทธานุสติคือมีพุทพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติด้วยการระลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นพุทโธ พ, พุทโธ พ, พุทธโอระลึกไปภายในใจ ไม่จาเป็นจะต้องออกเสียงสามารถระลึกภายในใจได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยปกติถ้าเราลืมตาขึ้นมาถ้าเราไม่มีการเจริญสติใจเราก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งไปแล้วอันนี้ไปทำอะไรดีไปหาใครดีไปที่ไหนดีไปคิดถึงอดีตเมื่อวานนี้ผ่านมาแล้วมีเรื่องราวอย่างนั้นมีเรื่องราวอย่างนี้คิดไปวนไป กลับไปอดีตกลับไปอนาคตไปเรื่อยเปลื่อยคิดไปเรื่อยๆในขณะที่ไปเตรียมตัวทําภารกิจอะไรต่างๆเช่นตื่นขึ้นมาก็ต้องลุกเข้าห้องน้ําอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําไปด้วยคิดไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติไม่สามารถที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบได้ถ้าปล่อยให้ใจ คิดไปเรื่อยๆในระหว่างที่ทําอะไรต่างๆถ้าต้องการให้มีสติต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ทํำกิจกรรมต่างๆด้วยการไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับการการทํางานอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เช่น พอลูกขึ้นมาสิ่งแรกเราก็ต้องดูที่ร่างกายก่อนเพราะเราจะทำอะไรก็ต้องใช้ร่างกายเป็นผู้กระทำอันนี้ดูว่าร่างกายกําลังอยู่ในท่าไหนกําลังอยู่ในท่านอ น, น, นพอร่างกายมีการเปลี่ยนท่าก็ต้องรู้แล้วว่าตอนนี้ร่างกายกาลังลุกขึ้นมานั่งนะแล้วลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินพอเดินก็ต้องรู้ว่ากาลังเดินอยู่ในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆนี้ จะใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ได้แทนใช้คาบาลีคำพุทธโธก็ได้ถ้าใช้การเฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายการกระทำต่างๆของร่า ง, างกายเราก็เรียกว่าเป็นการเจริญกายกระตาสติคือการเจริญสติด้วยการผูกใจไว้ให้อยู่กับการกระทำของร่างกาย ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ร่างกายทำอะไรต่างๆให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่ถ้าคิดก็คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น <c oughs> จะใช้กายกาตาสติก็คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวไป หรือจะใช้พุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธไปในขณะที่เอาร่างกายไปทําภารกิจต่างๆให้มีการระลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆเป้าหมายของการฝึกสตินี้ก็เพื่อสกัดใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ<ช>การกระทํานี้การจเจริญสตินี้ในเบื้องต้นใจก็ยังจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ต้องไปตามคิดปล่อยให้มันคิดไป ใจให้มาอยู่กับงานคือบริกรรมพุทโธถ้าบริกรรมพุทโธก็พุทโธไปถ้าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เฝ้าเฝ้าดูไป<ม>ถ้าทำอย่างนี้แล้วต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะเบาบางลง<ม>จะน้อยลงไปเรื่อยๆ<ม>แล้พอเวลามานั่งสมาธิใจก็จะไม่ฟุง้งซ่านใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ถ้าเราฝึกสติมาก่อนแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติเลยพอถึงเวลาเราก็มานั่งสมาธิมาฝึกสติตอนนั่งอย่างนี้สติจะไม่มีกำลังพอที่จะทําทใจให้สงบได้นั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถระงับความคิดความฟุ้งซ่านต่างๆได้เพราะกำลังไม่พอไม่ได้ฝึกสติมาล่วงหน้าไว้ก่อนต้องต้องฝึกสติไว้ก่อนล่วงหน้า แล้วพอถึงเวลานั่งสมาธิจะได้มีสติมีกำลังที่จะทำใจให้หยุดคิดทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้ mm. เหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปถ้าเราต้องการที่จะหยุดที่สี่แยกไฟแดงนี้เราไม่ไปเหยียบเบรกที่สี่แยกไฟแดงถ้าไปเหยียบเบรกที่สี่แยกไฟแดงรถมันไม่หยุดที่สี่แยกไฟแดง ความก่าจะมันจะหยุดได้หลังจากที่เราเหยียบเบรกนี้ devant, อาจจะเลยไปเป็นเป็นร้อยเมตรขึ้นไปก็ได้ถึงจะหยุดได้แต่ถ้าเราเหยียบเบรกมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะถึงสีแกไฟแดงพอมาถึงสีแกไฟแดงเราก็หยุดรถได้เห็นใดถ้าเราต้องการให้จิตสงบในขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็ต้องเหยียบเบรกเกิสติตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งสมาธิกันไม่ใช่มาเหยียบเบรกตอนที่เรามาเริ่มนั่งสมาธิ ไม่ใช่มันจะดญสติในตอนที่เราเพิ่งมามาเริ่มนั่งสมาธิมาพุโทโธพุโทโธตอนที่เราเริ่มนั่งสมาธิหรือมาดูลมหายใจเข้าออกถ้าทําอย่างนี้แล้วนั่งไปกเป็นชั่วโมงก็มันก็ไม่สงบและไม่สามารถนั่งได้นานเพราะนั่งไปได้สักพักมันก็จะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาในใจจนกระทั่งรู้สึกทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะความอยากต่างๆมันจะ ถักดันให้ใจไปหาอะไรทำอย่างอื่นไปดูไปฟังไปกินไปเดินอะไรต่างๆ <c oughs> มันก็เลยทาให้ไม่สามารถนั่งนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบได้ <c oughs> เพราะขาดสติแค่นั้นเองาการฝึกสติมาถ้ามีการฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้อย่างง่ายได้ แล้จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายนี่คือเคล็ดลับของการนั่งสมาธิเพื่อทาใจให้นิ่งให้สงบเคล็ดลับก็คือการเจริญสติต้องมีการเจริญสติให้มีสติมีกำลังมากๆเพื่อที่จะหยุดความคิดต่างๆได้หยุดใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้เมื่อใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้น เวลาใจนิ่งสงบแล้วก็จะเกิดความรู้สึกมหาสัจรันใจคือความสุขที่เกิดจากความสงบ น, นี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เราจะไม่เคยพบมาก่อนตั้งแต่เกิดมาจนถึงเวลาที่เราได้ผลจากการนั่งสมาธิเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัดติสันติพลังสุขขั้งสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี อันนี้แหละสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกสติจากการนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐอันนี้เพราะถ้าเมื่อเราเข้าถึงความสุข น, นี้แล้วเราก็จะได้ ล, ไไดละการหาความสุขทางทางโลกไปได้ละการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพะละการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้ เพราะว่าถ้าเราไปหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะติดอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆ เ, เพราะลาบยศสรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี่แหละเป็นกองทุกข์ที่เราไม่รู้กันในสายตาของคนที่ไม่มีปัญญาของคนที่มีโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจจะไปมองเห็น ว่าลาบยศเสริญและรูปเสียงจิตลดโธตภาพนี้เป็นความสุขแต่ไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะไม่เห็นว่ามันเป็นทองไม่เที่ยงความสุขที่ได้จากมันมาไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องจางหายไปจะต้องหมดไปพอเวลามันหมดสิ่งที่เข้ามาแทนที่ในใจก็คือความทุกข์นี่นี่แหละคือความทุกข์ที่มองไม่เห็นกัน พอมองเห็นแต่ความสุขที่จะได้เวลาที่ได้ราบยศสรรเสริญได้ลูกเสียงกิ่ลรสมาเวลานั้เวลาที่ได้มาก็เกิดความสุขแต่เวลาที่มันหมดไปมันจากเราไปเวลานั้นอ่ะมันถึงจะรู้ว่ามันมันทุกข์แต่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันมันทุกข์จากการสูญเสียราบยศสรรเสริญ ส, สูขไปไม่รู้ว่าเกิดจากการที่เราไปหาความสุขจากมันพอมันหายไปก็ไปหาใหม่พอเงินหมดก็ไปหาใหม่ พอยกตำแหน่งหมดก็หาใหม่เช่นเป็นสมัครเป็นสอสอพอได้เป็นสอสอไปได้เป็นรัฐมนตรีไม่กี่ปีมันก็ยุบสภาก็ต้องไปหาใหม่กั น, นีกก็ต้องหาไปเรื่อยๆแล้วเวลาหาไม่ได้ก็เศร้าใจเสียใจทุกข์ใจนี่แหละคือความสุขทางโลกมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขถึงแม้จะเป็นสุขมันก็เป็นสุขแบบ สุขที่เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นเหยื่อที่ล่อให้ปลาที่ไม่ฉลาดไปกินเหยื่ออันนี้พอกินแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากลากขึ้นจากน้ำให้ไปสู่หม้อแกงต่อไปอันนี้ก็สิ่งวิธีที่เราจะเลิกหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสีน่นี้คือลาบยศสารเสริญสุขได้ เราต้องมีความสุขอย่างอื่นมาทดแทนและความสุขอย่างอื่นก็มีอย่างเดียวเทานั้นก็คือความสุขที่ได้จากความสงบนี้ที่จะเป็นสิ่งที่มาทดแทนความสุขท hey ี่ได้จากโลกธรรมทั้งสีได้และเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา <Yes. S 2> เป็นความสุขที่เมื่อสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็จะสามารถสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆถ้าเรานั่งสมาธิได้แล้ว ทำใจให้สงบได้แล้วเราก็สามารถที่จะทำครั้งต่อไปให้สงบได้ไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆไม่หยุดการฝึกฝนอบรมไม่หยุดการปฏิบัติต่อไปเราก็จะเกิดความชำนิชำนาญสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาใดที่เราอยากจะมีความสุขเราก็เข้าสมาธิแทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เป็นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังมอรศ บ, บันเทิงอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบจากการนั่งสมาธิได้แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายด้วยเพราะถ้าเรายังหาความสุขจากโลกกระทำจากลาบยศสารเสริญเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือซึ่งร่างกายของเรามันก็เป็นของไม่เที่ยง มันจะต้องแก่ลงไปวันใด ว, วันต่อไปในวันข้างหน้าแล้วมันก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอถึงเวลาช่วงนั้นแล้วการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขก็จะลดน้อยถอยลงไปจนไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ตอนนั้นใจก็จะอยู่กับความเศร้าความทุกข์ความซึมเศร้าต่างๆแต่ถ้าเรา หาความสุขจากการเข้าสมาธิได้เราก็าสามารถเข้าได้ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดร่างกายแก่ก็เข้าสมาธิได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าสมาธิได้ร่างกายตายไปหรือจะตายก็เข้าสมาธิได้เพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเข้าสมาธิเครื<ฟ>่องมือที่จะให้ใจเข้าสมาธิก็คือสติซึ่งสติมันก็อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายเสื่อมสติไม่เสื่อมตามร่างกายร่างกายตายไปสติไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะสติอยู่กับใจสร้างขึ้นมาด้วยใจใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือสิ่งที่เหตุที่เราทําไมต้องมามีวันพระกันเพราะว่าเราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรม การฟังธรรมนี้ไม่ต้องใช้เวลามากฟังแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ได้เนื้อหาสาระพอสมควรพอที่เราจะสามารถนำเอาไปใช้กับการปฏิบัติได้แต่เวลาที่เราต้องให้กับการปฏิบัตินี้ต้องมีมากมันถึงจะเกิดผลขึ้นมา <c oughs> ลองทําดูเดี๋ลองต่อไปเราไม่เคยมีวันพักกันเราไม่เคยให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องทั้งวันทั้งคืน เราเอ า, เอาวันพระนี้เป็นวันที่เราจะมาปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องอยู่ทุกวันหนึ่งเราจะเริ่มเห็นผลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติตามแนวที่พรุทธเจ้าทรงสอนไว้เขลื่อนัดด้วยการรักษาศีแลแปดลาเว้นจากการหาความสุขจากการนุ่มหลับนอนกับผู้อื่นลาเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วลาเว้นจากการ ดูมหาศพบรรเทิงต่างๆลาเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอ่อนที่สีสดใสฉุดฉาดเรื อ, อพิสดารแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามทางผมทางตาทั้งอะไรต่างๆของร่างกายเพียงแต่ ทำคามสาดร่างกายหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายก็พอเพื่อที่จะได้เอาเวลาเหล่านี้มาให้กับการปฏิบัติและการหลับนอนก็ไม่นอนมากเกินไปนอนร่างกายต้องการพักผ่อนเพียงสี่หรือห้าชั่วโมงถ้านอนบนฟูกหนาๆบนเตียงสํงาราญเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมาร่างกายก็จะไม่อยากจะใจก็ยังไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงได้ก็จะทําทให้สูญเสียเวลาของให้กับการปฏิบัติไปถ้าเรานอนบนเตียงที่สุขที่สบายเกินไปวิธีที่จะทําทให้เราไม่นอนนานเกินไปมากเกินไปก็ให้นอนบนพื้นแข็งแข็งนอนบนพื้นก็ได้นอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งแข็งไม่มีเบาะก็ได้ปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสื่อก็พอ ถ้านอนแบบนั้นเวลาร่างกายร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเมื่อมันนอนไม่สบายใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อใจก็จะรีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเจริญสติด้วยการเดินจงกรมได้หรือด้วยการสวดมนต์ไปก็ได้การสวดมนต์นี้ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกับการบริกรรมพุทธโธ พอตื่นขึ้นมาปั๊จะเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะอยากจะสวดมนต์ไปก็ได้หรือจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้เราต้องเจริญสติก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิต่อเพราะถ้าเรายังไม่มีสติกำลังพอนั่งแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะไม่มาอาจจะฟุง้งหรือมาอาจจะหลับไปก็ได้ ถ้าถ้าตื่นขึ้นมาใหม่ๆแล้วมานั่งนั่งสมาธิโดยที่ไม่มีสติพอนี้นั่งไปแล้วเดี๋ยวก็อาจจะสับประงกหลับไปก็ได้นั้นเพื่อป้องกันไม่ให้หลับนี่ก็ต้องมีการเจริญสติก่อนด้วยการเดินจงกรมก็ได้หรือด้วยการสวดมนต์ไปในใจก่อนก็ได้จนรู้สึกว่าใจไม่วุ่นใจตื่นเต็มที่แล้วมีสติพอที่จะนั่งสมาธิได้แล้วค่อยมานั่งสมาธิต่อไป ถ้าเรามีการปฏิบัติตั้งแต่เรื่องต้นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็จเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ไปทําภารกิจที่จําเป็นต่อร่างกายอาบน้ําล้างหน้าแปลงคัาแต่งหน้าน แ, ตนแต่งตัวแล้วก็รับประทานอาหารทำความสะอาดที่พักอะไรต่างๆที่พักก็ต้องสาดเรียบร้อยผู้ปฏิบัติจะไม่ปล่อยให้ ที่พักที่อยู่อัยขงตนนั้นระเกะระกะไปด้วยท้าวของอะไรต่างๆสิ่งใดที่ไม่มีความจาเป็นต่อาการปฏิบัติก็ไม่ให้เอาเข้ามาไว้ในที่พักไม่เอาไปบริจากเพราะมันจะทําให้เป็นภาระต้งคอยดูแลรักษาแล้วก็าอาจจะเป็นเครื่องรอดใจเช่นตู้เย็นเอยทีวีเอ่านี้ถ้ามีอยู่ในที่ปฏิบัติเดี๋ยวมันก็อดที่อยากจะเปิดดูไม่ได้ ดังนั้นหนที่ไม่มีคำจำเป็นที่จะต้องมีก็กำจัดมันไปให้เป็นห้องว่างๆโลง่ลงๆเพราะการปฏิบัติไม่ต้องใช้อะไรนอกจากสติเท่านั้นเองนอกจากรักษาศีลแล้วก็จเจริญสตินั่งสมาธิดังนั้นการท ำ, ทำความสะอาดก็จะง่ายเรียบร้อยพู้ที่ฝึ ก, กจิตให้มีทางสงบจิตจิต จ, จะเรียบร้อยจิต จ, จะเป็นจิตที่สงบเรียบร้อย สถานที่ปฏิบัติก็จะเรียบร้อยตามไปด้วผู้ที่มีความสงบนี้มักจะทราบความตาเรียบร้อยของสถานที่ที่ตอนอยู่ยังไม่ปล่อยตาให้สถานที่ตกลกปลกลลบลงหลังต้องคอยเก็บคอยจัดการกับสถานที่ของตนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย<ม>จเจริญหูจเจริญตา ม, มีก็คือภารกิจต่างๆที่ต้องทำเท่านั้นเอง ในวันที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วนั้นเราก็เอาเวลามานั่งสมาธิเดินจงกรมสลับกันไปฟังเทศฟังธรรมไปเปิดมือถือฟังก็ได้วันี้มีหูฟังเอาใส่หูฟังนั่งสมาธิไปเปิดเปิดเทศฟังไปหนในขณะที่ท่านกาลังนั่งอยู่ตอนนี้ก็ได้นั่งฟังไปใช้อารมณ์ของการฟังธรรมนี้ใช้ธรรมะที่เราฟังนี้เป็นอารมณ์ ปลอบใจก็ได้แต่ั่งฟังธรรมก็ไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุดโตไม่ต้องบริกรมพุดโตให้เอาเสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์แทนถ้าฟังแล้วเข้าใจก็จะเกิดปัญญาขึ้น ม, มาถ้าฟังยังไม่เข้าใจแต่ฟังอยู่อย่างต่อเ น, นื่องไม่เคอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งหลังจากฟังธรรมแล้วดู วิธีการปฏิบัติต่างๆแล้วก็มาทบทวนดูว่าเราปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ปรับปรุงแก้ไขไปแล้วก็ดําเนินการปฏิบัติไปจนกว่าจะถึงเวลานอนเมื่อเมื่อพักผ่อนหลับนอนแล้วพอตืน่นขึ้นมาก็เป็นวันรุ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของวันพระเราก็เตรียมตัวไปทำมาหากินไปทํางานทําการต่อไป ถ้ายัางเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งถ้าอยากจะเอามาใช้ให้กับการศึกษากับการปฏิบัติ<ม>ก็ได้มีวันพระอาทิตย์ละสองวันเลย<ม>ได้สองเด้งได้กํำไรสองต่อได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้น<ม>แต่ถ้าเรายังมีความจํำเป็นที่จะต้องไป ท, ทาําภารกิจอย่างอื่นเรามีวันหยุดสองวันเราก็แบ่งวันหยุดวันหนึ่งมาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรม ส่วนอีกวันหนึ่งเราก็เอาไปทำธุระอย่างอื่นที่เราจะเป็นที่ยังต้องทำอยู่ก็ได้แต่อย่างน้นอยอาทิตย์หนึ่งขอให้มีวันพระสักหนึ่งวันให้ให้เรามีวันพระให้เรามีการปฏิบัติอย่างเต็มเป็นรูปแบบสักวันหนึ่งวันถ้าเราทำอย่างนี้รับประกันได้ว่าไม่นานเราจะได้เริ่มเห็นผลใช่ไหมเห็นผลของการมีสติพราทำให้ใจของเรานี้เบาลงสบายลงเครียดน้อยลง แล้วถ้ามีว่านั่งสมาธิได้<ม>ก็อาจจะสามารถทํำใจให้นิ่งให้สงบให้สัมผัสกับน ốt ของความสงบได้<ม>อันนี้แหละพอถ้าเราสามารถเข้าถึงน ốt ของความสงบได้<ม>แล้วเรามันก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้น<ม>ต่อไปเราก็า จ, จะเพิ่มวันทะของเราให้มีมากขึ้นชทนเรามีวันหยุดสองวัน เราก็เอาวันหยุดสองวันนี้มาให้กับการการะทาการปฏิบัติเอามาทำเป็นวันพระเล้ยิง่ง <c oughs> ยิ่งถ้าเราปฏิบัติยิ่งมากยิ่งขึ้น <c oughs> ผลก็คือความสงบ ข, ของใจก็จะปรากฏมากขึ้นมาตามลาดับเมื่อเราได้รับผลจากการปฏิบัติมากขึ้นได้ความสุขมากขึ้นมันก็จะทำให้เราอยากจะให้มีความสุขมากไปก่อ น, นี้ <c oughs> เราก็จะเริ่มหาเวลา มาให้กับการประเดเพิ่มอีกได้เราเคยทางานห้าวันแล้วอาจจะหยุดทํางานการที่จะทำห้าวันอาจจะทำสี่วันถ้างานที่เราทํานี่เขาไม่ให้หยุดทําำเราอาจจะเปลี่ยนงานก็ได้เปลี่ยนงานงานที่เราสามารถกําหนดวันทํางานของเราได้เช่นถ้าเราทํางานกับบริษัทเขาจ่ายเงินเดือนเราต้องไปทําทุกวันตามที่เขากําหนดไว้ถ้าเราอยากจะทําน้อย เราก็อาจจะลาออกจา ก, กงานนับเปลี่ยนวิธีเปลี่ยวิธีทำงานใหม่การทำงานนี้เป้าหมายก็คือเพื่อมีรายได้มาเลี้ยงเลี้ยงชีพเท่นั้นเองแต่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วนี่ค่าใช้จ่ายของเรานี้จะลดน้อยลงไปเรื <c oughs> ่อยๆเพราะว่าเมื่อเรามีความสงบใจการทำใจให้สงบได้นี้เราก็จะไม่ต้องเสียเงินไปกับการ ซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆเพื่อมาให้ความสุขกับใจคือไม่ต้องไปเสดลูกเสียงเกลียดลดปวดสะพะการเสดลูกเสียงเกลียดลดปวสะพานนี้จะต้องใช้เงินทองไปดูหนังฟังเพลงก็ต้องเสียเงินเสียทองไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ต้องเสียเงินเสียทองซื้อของเพิ่มเฟื่อยอะไรต่างๆมาก็ต้องเสียเงินเสียทองพอเราได้รับความสุขจากความสงบแล้วความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันจะจืดจางไปเอง ทำให้เราไม่มีความรู้สึกอยากจะไปเที่ยวไป ด, ไปดูไปฟังไปกินไปเดินอะไร mm hmm. อยากจะไปฝึกสมาธิค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เคยมีมากก็จะลดควบลงไปอย่างอย่างมหาจักรใจ mm hmm. เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องจำเป็นที่ต้องมีก็เพียงแต่มีเงินซื้อข้าวกินในวันๆนท่าน้มีเงินมาเลี้ยงดูร่างกายจ่ายค่าที่พักที่วา่าใสแคะนั้นเองเป็นค่าใช้ใจ่าย เราก็จะเห็นว่าเราไม่มีความจะเป็นจะต้องทำงานเพื่อได้เงินเดือนเยอะๆเราก็อยากจะเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนงานก็ได้หรือถ้าเราเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถอยสะสมเก็บเงินออกมาแล้วเราจะมีเงินก้อนโตพอที่จะทำให้เราไม่ต้องทำงานก็ได้ถ้าเราอยู่แบบมักน้อยสันโดษอยู่แบบประหยัดนี่ ค่าใช้จ่ายค่าอาหารวันละร้อยนี่ก็เหลือกินแล้กินวันละเมื่อตอนนั้นก็จ่ายค่าน้ํำค่าไฟค่าเช่าไปถ้าเป็นบ้านของเราเองก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็จ่ายแต่ค่าน้ํำค่าไฟค่าน้ํำค่าไฟก็น้อยเพราะเราไม่ดูไม่ฟังไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรมากมาย <c oughs> เราก็จะเห็นว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทำงานอาทิตย์ละห้าวันนี้ต่อไปเราก็อาจจะเปลี่ยนงานาหางานทําที่เราสามารถทํำ ตามเวลาที่เราต้องการได้วันไหนอยากจะทำก็ทำวันไหนไม่อยากจะทำก็ไม่ทำก็ได้วันไหนอยากจะไปปฏิบัติธรรมสักห้าวันเจ็ดวันก็จะไปได้ น, นี้คือสิ่งที่มันจะตามมาต่อไปจากการที่เราเริ่มมีวันคระให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมพอศึกษาพอปฏิบัติแล้วพอมันได้ผลแล้วมันจะทำให้เกิดฉันทะวิริยะเกิดปฏิทิบายสี โวยพลังของจิตที่อยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้จิตใ จ, จเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจเมื่อก่อนอาจจะสงบเฉพาะวันพระวันอาทิตย์ละหนึ่งวันพอเรามาปฏิบัติสองวันต่อไปจิตใจเราก็จะสงบอาทิตย์ละสองวันถ้าเราปฏิบัติสามวันจิตใจเราก็จะสงบสามวันมันก็จะทําให้เราอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราปฏิบัติทุกวันทุกวันต่อไปจิตใจของเราก็จะมีความสงบมีความสุขทุกวันได้ mm. นี่แหละคือสิ่งที่วันท้าจะทำให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ mm. ถ้าเราไม่มีวันท้าเลยเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมา <c oughs> เริ่มต้นการปฏิบัติจิตของเรา mm. เมื่อเราไม่มีจุดเริ่มต้นมันก็จะไม่มีการก้าวหน้าคืบหน้าไปไหนได้ mm. มันก็จะอยู่กับที่ ทำได้อย่างมากก็แค่ทําบุญทาทานรักษาสิ่งห้าเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการรักษาสิ่งแปดไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่นันองการเจริญเครื่องก้าวหน้าก็จะไม่เกิดในทางธรรมทาทได้อย่างมากก็คือทาบุญทาทานรักษาสี่งห้าไปผลที่จะได้รับจากการทําบุญรักษาสิ่งห้าได้ก็คือการไปเกิดในสุคติเท่านั้นเวลาตายไป ใจก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ปิดประตูอบายถ้าทำบุญได้ก็จะไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากที่ผลบุญในสวรรค์หมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กเกิดมาเป็นคนดีเกิดมาเป็นคนชอบทาบุญทาทานชอบรักษาศีนนลไนวแล้วก็จะทาอย่างนี้ใหม่ไปตายไปก็จะกลับไปเกิดในสวรรค์ไป กระจายก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในในสังสารวัตต่อไปเพราะยังต้องกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ม, มาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายไปก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายไปอยู่เรื่อ ย, อย mm. แต่ถ้าเรามีวันพระมีเวลาให้ทำการปฏิบัติในวันทะเราจะยกระับจิตของเราให้ออกจาก โลกแห่งการเงียนว้ายตายเกิดได้เพราะถ้าเราปฏิบัติได้ mm. เริ่มต้นด้วยการสดสตินั่งสมาธิได้ mm. ต่อไปพอเราได้สมาธิชำนาญในสมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาเราไม่ได้อยู่ออกจากสมาธิมาเราก็มาเจริญปัญญาแทน mm. มาเจริญมาศึกษาอันนี้จังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างไราศึกษาอริยสัจสว่าเป็นอย่างไร mm. ทุกนี้เกิดจากอะไร ทุกข์ของใจเกิดจากอะไรเกิดจากก า, ารหาความอยากการที่จะทําให้ทุกข์ของใจดับไปทําอย่างไรก็ต้องละความอยากการจะละความอยากได้ก็ต้องเห็นเห็นไตร ล, ลักษณ์ในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นไตร ล, ลักษณ์มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวทุกข์เพราะเราไม่สามารถควบคุมบันครับทำให้มันเที่ยงได้ทําให้มันให้พางศพกับเราได้ไปตลอด มันให้ความสุขเราได้แบบชั่วครั้งเชั่อข่าวพอมันหมดไปความสุขหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทนทีนี่คือขั้นปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิได้ความชานาญในสมาธิแล้วต่อไปเวลาเราออกจากออกจากสมาธิแทนที่เราจะเจริญสติเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ชนานาญทางสมาธินี่เวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องมาเจริญสติต่อ มาพุโทโธต่อมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิเหมืจนกว่าเราจะสามารถเข้าสมาธิได้อย่างชำนานมีสติกำลังมากมายเหลือเฟือท่านต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ไม่ต้องเจริญสติเรามาพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่ใจเราไปยึดติดให้ไ ป, ไปพิจารณาความไม่เที่ยงของโลกธรรมก่อนโลกธรรมสี่คืออะไรงาญยศทรเสริญ ให้ความสุขจากเลือกเสียงกลิก่นรสผดสะพะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ม, มันให้ความสุขของเราไปตลอดหรือไม่คามําตอบก็คือไม่มันให้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอมันหมดไปมันก็ทําให้เราต้องสึกเศร้าเศร้าใจเศร้าหมองเศร้าซร้อ ย, อยหัวเหี่ยวมันก็เลยทําให้เราต้องไปหาใหม่หาใหม่หามาได้เท่าไหร่มันก็ต้องหมดไป ความสุขแบบนี้เปนความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆและต้องหาอยู่เรื่อยๆถ้าวันไดไม่สามารถหาได้ไม่มีกําลังไม่มีเงินทองหรือร่างกายไม่มีความสามารถร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือที่ตนที่การไป<ม>เวลานั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขจากโลกธรรมได้ไม่สามารถหาความสุขจากรายกยศสารเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสสัตว์ธาได้ แดังนั้นก็จะอยูอย่อย่างสุนเศร้าบางคนเมื่ออยู่กับความซุนเศร้ามากๆไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรก็จะคิดฆ่าตัวตายไปนี่แหละคือโทษของการที่เราไปติดกับความสุขทั้งโลกประธรรมทั้งสี่ เ, เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นใจละเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์ข้อไม่เที่ยงทุกข์ข้อเราไม่สามารถทําให้มันเที่ยงได้มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา เพอเราเห็นยางชัดเจนแล้วว่าความทุกข์เกิดจากการที่เราไปอยากหาความสุขจากมันเราก็เลิกหาความสุขจากมันได้เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เวลาที่าละละความอยากได้ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบเมื่อใจสงบแล้วใจก็จะเย็นจะเบาจะสุขจะสบายโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีรากยศรเสรืให้ความสุขอีกต่อไปนี่คือการเจริญปัญญา ต้องพยายามเจริญให้เห็นใยลักณ์ในสิ่งที่เราไปติดประยุดึดไปอยากได้ราว่าให้ความสุขกับเราหลงจานเราก็ไปละลาบยึดสรรเสริญสุขก่อนลวได้แล้วขั้นต่อไปเราก็กลัลงมาละร่ะางกายร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ต้องแก่เจียตายเป็นอนิจจังแป็นนาตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจิดไม่ตายมันก็จะทําให้เราทุกข์ก็ต้องปล่อยวางร่างกายต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจิดปล่อยให้มันตายถ้าปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเวทนาบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์เวทนาบ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาบ้างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เวลาถ้าเราไปยึดไปติดกับเวทนาอันใดอันหนึ่งพอมันมันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราทุกข์ใจใช่ไหมเอ็ น, นเราติดกับสุขเขเวทนาพอสุขเวทนาหายไปทุกขขเวทนาเข้ามาแทนที่ใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่ต้องการทุกขขเวทนาเราต้องการสุขเขเวทนาเพราะเต้องตัดความยึดติดในเวทนาไม่ติดในสุขไม่ติดในทุกไม่ติดในไม่สุขไม่ทุกรู้ทันว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เกิดแก่เจ็บมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราต้องปล่อยวางทําใจเฉยๆไม่ไปอยากให้เป็นเวทนาอย่างนั้นเป็นเวทนาอย่างนี้ไม่ไปอยากให้เป็นสุขก็เวทนาไม่อยากให้ทุกข์ก็เวทนาหายไปพอเราไม่มีความอยากความทุกข์ที่เกี่ยวกับเวทนาก็หายไปแล้วต่อไปเราก็มาพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่เรายังอารมณ์ภายในใจที่เราเสก เราอยากให้ใจเรามีความสดชื่นเบิกบานผ่องใสแจ่มใสไม่ต้องการให้ใจเราเครียดไม่ต้องการให้ใจเราหมวนหมองแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าอารมณ์ต่างๆในใจมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวอารมณ์ดีบ้างเดี๋ยวอารมณ์เสียบ้างเดี๋ยวบางทีก็เครียดเดี๋ยวบางทีก็เบาอกเบาใจสบายอกสบายใจอันนี้เป็นเรื่องของอนิจจังถ้าเราอยากจะให้มัน ไม่เปลี่ยนให้มันดีไปเรื่อยๆมีแต่อารมณ์ดีพอมันไม่ดีมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเราเข้าใจว่าใจมันต้องเปลี่ยนอารมณ์มันต้องเปลี่ยนเดี๋ยวต้องมีอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างแล้วเราก็ควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้เราก็สอนใจให้หัดอยู่กับมันไปปล่อยวางไปปล่อยให้มันเปลี่ยนไปมันจะดีอารมณ์ดีก็รู้ว่าอารมณ์ ด, อณดีอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีไม่ต้องไปทําอะไรให้รู้เฉยๆไป เล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะอยู่กับอารมณ์ได้ทุกรูปแบบอารมณ์ดีก็อยู่ได้อารมณ์ไม่ดีก็อยู่ได้อารมณ์เครียดก็อยู่ได้แต่ใจเราจะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ให้มีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้ไม่มีความทุกข์ใจที่เกิดจากการอยากให้มีเวทนาแบบนั้นเวทนาแบบนี้ไม่มีความทุกข์ใจที่เกิดจากการอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใจจะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้ต่อไปใจจะอยู่อย่างสงบอย่างเย็นอย่างสบายทัางการการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของใจรักของของของกายของเวทนาและของจิตซึ่งถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาธรรมดา mm hmm. การเปลี่ยนแปลงของกายก็ดีของเวทนาก็ดีของใจก็ดีมันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติ ตาบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้ยังต้องสัมผัสเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางกายทางเวทนาทางใจมันก็ต้องมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ใจเรารู้ทันใจเราปล่อยวางแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอยู่กับมันได้อย่างสุขอย่างสบายใจนี้แหละเป็นใจที่ว่างที่สะอาที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆ พอเกิดพอรู้ด้วยปัญญาว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่ไปอยากไม่ไม่ไปยึดไปติดไม่ ม, ไมีมีความอยากได้หรืออยากไม่อยากมีหรืออยากไม่มีก็ไม่มีมีเพียงแต่เป็นใจที่อยู่กับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ตราบใดที่ยังมีขันอยู่ยังมีร่างกายอยู่ก็ยังต้องมาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆพอไม่มีร่างกายแล้วพอร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็ไม <an> ่ม <t ell> <an> ีเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกระเทือนใจต่อไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจให้กลับไปหาเหตุการณ์ต่างๆให้ไปเกิดใหม่อีกต่อไปเพราใจเห็นด้วยปัญญาว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับการแปรปรวนของร่างกายเจอของการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเวทนาเจอของการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของของใจของอารมณ์ต่างๆเจอการเปลี่ยนแปลงของ เรากระทําทั้งสี่ลยุทธะเสร็จ ส, สุขเมื่อใจมีความสุขเต็มที่ในใจแล้วปราศจากความอยากแล้วใจก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป <S <S นี่แหละคือมรดกที่พระเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราคือบรรลุถึงพานิพานมรรผลนิพานที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาและการปฏิบัติ <S <S ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเนเราก็จะไม่มีวันที่จะได้รับมรดกอันวิเศษของพระพุทธเจ้าได้เลย พระพุเจ้าถึงต้องกําหนดวันพระขึ้นมาให้พวกเราจะได้เอาเวลาของวันพระหนึ่งวันอย่างคื่นนี้มาให้กับการศึกษามาให้กับการปฏิบัติเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามลําดับตามกําลังของการปฏิบัติตอนต้นก็วันหนึ่งต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันต่อไปก็เพิ่มเป็นสาวันและในที่สุดก็ไปบวชเป็นพระเป็นชีไปเลยแล้วก็ปฏิบัติเต็มที่เต็มรูปแบบไปเลย ถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่เกินเจ็ดปีไม่เจ็ดปีก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดวันพระเจ้าบอกว่าจะต้องได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนนี่แหละคือความสำคัญของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปูราปริปุเริสตศกาล เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอจิตังปทิตังตุหังคิดเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระสสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินาศตุ มาเตภวัตวันตาราโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนศีบิศะนิจังวุธาปะจายโนจตารูธรรมาวะทานเตอายุวันโนสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 สาม้อยสาสิบเจ็ท่านทาง YouTube ดรวีห้าสิบห้าท่านวิทยุออนไลน์สิบท่านครับ h o า s ์สี่ท่าน uh, แล้วก็หน้ากุฏิหนึ่ง้อยสิบห้าท่านรวมทั้งหมดเก้า้อยแปดสิบสี่ท่านครับมีคำถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะ ว่าการดู ก, กายในกายคือการพิจารณาขันห้าในส่วนรูปขันใช่ไหมคะหรือการพิจารณาอสุภกรรมฐานก็เป็นการพิจารณากายในกายใช่ไหมคะใช่การพิจารณาร่างกายนี้ก็มีหลายลักษณะพิจารณาว่าร่างกายต้องเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พิจารณาว่าร่างกายมีอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาว่าร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟพิจารณาร่างกายไม่สวยงามเป็นซากศพอันนี้เป็นในการพิจารณากายในกายทั้งหมด่อพิจารณาเพื่อให้เข้าใจจะได้ไม่หลงไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายเพราะการไปหลงไปยึดติดจะทาให้ใจทุกข์ ถ้าไม่มีความยึดติดแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายใช่าค่ะมีคำถามว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกหิวข้าวเพราะว่าไม่ได้ทานข้าวเย็นแต่ข่มใจใช้คำบริกรรมที่เป็นบทสวดบนพร้อมจับผ้าพระสงฆ์ไปด้วยเพื่อสู้กับความหิวแล้วความหิวก็หายไปแบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้า ถ้ามันหายไปก็ใช้ได้อุบายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันมีหลายวิธีที่จะทำให้ไม่ไม่ให้หิวได้ถ้าเรานั่งสมาธิใจสงบมันก็จะไม่หิวได้บางคนก็คิดถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารก็ทำให้ไม่หิวได้เนืนอาหารมันสกปรกเวลามันอยู่ในปากมันเคี้ยวแล้วมันผสมกับน้ำลายหรือเวลามันไปอยู่ในท้องเวลา ทาออกมาเวลาเจนออกมาเนี่มันก็จะไม่อยากจะกินให้มองภาพที่ไม่น่าไม่ไม่น่ากินน่าดูน่าชมของอาหารแล้วมันก็จะทําให้ความหิวหายไปได้มีหลายวิธีด้วยกันนะแต่คนจะปฏิบัติจะต้องเลือกเอาวิธีไหนที่ที่ได้ผลก็เอาวิธีนั้นก็แล้วกันแล้วถ้าเราป่วยสังขารได้รับเวทนาก็ใช้วิธีนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ ก็ต้องเหมือนกับเวทนามันก็เป็นคเหมือนกับความหิวความหิวก็เป็นเวทนาอย่างเราก็ต้องทำใจให้สงบไม่ใหไปยุ่งกับความความเจ็บของร่างกายปล่อยมันเจ็บไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันก็ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันเจ้าค่ะคำถามต่อไปในขณะที่โยมนั่งสมาธิจิตมักจะบไปเพ่งอยู่ที่ตรงที่หน้าผากโยมต้องทำยังไงต่อเจ้าค่ะ ก็ไม่ไม่ควรจะไปเพ่งที่หน้าผากเพราะว่าถ้านั่งดูลมก็ต้องเพ่งอยู่ที่ปลายจมูกถ้าพุทโธก็ให้เพ่งอยู่คําบริกรรมพุทโธไปไม่ต้องไปอยู่ที่หน้าผากที่หน้าผากไม่ใช่เป็นที่ที่ตั้งของกรรมฐานที่ตั้งของกรรมฐานแล้วแต่ว่าเป็นกรรมฐานชนิดไหนถ้าเป็นลมหายใจเข้าออกก็ต้องไปตั้งอยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าลมออกมันจะสัมผัสที่ตรงปลายจมูกเนื้อเหนียวลื่นฝีปากขึ้นมา ก็ให้เฝ้าดูตรงจุดนั้นถ้าใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมไปมไม่ต้องไปอยู่ที่หน้าผาคำถามจากคุณปฐวันเจ้าค่ะขอเรียนถามว่านั่งสมาธิตัวตรงอยู่ดูลมหายใจเมื่อนั่งไปเหมือนจะหงายหลังทำให้ตัวเริ่มขยับและตั้งต้นใหม่อีกจะแก้อย่างไรดีคะ ก็อย่าไปสนใจกับความรู้สึกนะมันจะหันหลังมันจะเองหลังอะไรก็เลี้ยงไม่ต้องไปให้ความสําคัญแล้วก็พุโทโธไปดูลงไปตามทําหน้าที่ของเราไปพาที่มันเป็นความรู้สึกที่มาหลอกเราถ้าเราไปให้ความสนใจเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเราไปขยับร่างกายก็เท่ากับเราขับกลับมาเริ่มต้นใหม่ งั้นเราก็จะนั่งไปไปไม่ถึงไหนไปสักพักหนึ่งเดี๋ยเกิดอาการรู้สึกร่างกายเอ็นขึ้นมาก็กลับมาตั้งใหม่มกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปสนใจมันจะเองก็ปล่อมันเองไปมันจะล้มก็ให้มันรู้ไป <Yeah. S 2> ถ้ามันล้มก็ให้มันเริ่มต้นใหม่แต่ส่วนใหญ่มันไม่ล้มหรอกมันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกมันเป็นธรรมดานั่งไปไม่กล้าจจะมีเอ็นบ้างเอ็นไปทางซ้ายบ้างเอ็นไปทางขวาบ้างเอ็นไปทางข้างหน้าบ้างเราไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมัน ให้ความสำคั์อยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆเจ้าค่ะครับถามจากคุณสุกัญญากราบเรียนถามเจ้าค่ะการเพ่งกสินใช่ทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาใหม่เจ้าค่ะถ้าใช่ควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะ ก, กะสินก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานที่เราเอาใช้ในการเป็นอารมณ์ทําใจให้สงบได้แต่การจะฝึกรกรสินก็ต้องมีอาจารย์ที่ชํานาญทางกสินมาสอน แต่ในเมืองไทยไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสอนทางพุทโธพุทธโธถ้าอยากจะใช้กสินก็ต้องไปหาอาจารย์ที่เก่งทางด้านกรสิน ม, มาสอนเหมือนกับเรียนดนตรีอ่ะถ้าอยากจะเรียนเป่าปีก็ต้องไปหาอาจารย์ที่ชำนาญทางเป่าปีนะอันนี้กับอาจารย์ที่ตีกลองมันก็เป่าปีไม่ได้เรื่องเพราะฉะนี้ก็ต้องดูว่ามีอาจารย์สอนเราได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็หาเอาแบบที่มีอาจารย์สอนไปส่วนใหญ่ก็จะมีอาจารย์สอนพุทโธพุทธโธ เจ้าค่ะจากคุณใบยกเจ้าค่ะลูกไม่ได้อ่านตำราเจ้าค่ะ ลูกฟังจากองค์หลวงตาและพระอาจารย์และปฏิบัติลูกเน้นที่สภาวะจิตใจของลูกเวลาออกมาจากสมาธิใช้ชีวิตระหว่างวานันวางเฉยกับสิ่งที่กระทบได้มากน้อยเพียงใดลูกเน้นตรงนี้เจ้าค่ะและมันได้ผลระดับหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ทําให้ลูกเข้าใจในความสําคัญของคําบริกรรมแต่ลูกก็คิดและบริกรรมสลับกันไปเจ้าค่ะยังไม่นิ่งแต่เข้าสมาธิได้ แต่ขั้นปัญญาลูกยังอนุบาลเจ้าค่ะพระอาจารย์แนะนําลูกอย่างไรดีเจ้าค่ะ ก, ก่อนจะไปขั้นปัญญาก็เอาทางสมาธิให้ชํานาญก่อนให้มีสติที่มากเข้มข้นสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลานาทีก่อนแล้วค่อยไปทําปัญญาอย่ามีคําถามอาจจ ะ, ะถามได้ครับ นมัส ก, การครับเราสามารถที่จะพิจารณาขันห้าในชีวิตประจําวันได้ไหมครับอย่างเช่นว่าพอเราเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ทําให้เราไม่พอใจอย่างเช่นกระจกรถเราเป็นรอยแล้วเราก็คิดไปว่าเออมีคนที่เขามาทําเราหรือเปล่าหรือว่าบางทีอาจจะเป็นอุบัติเหตุพอมีสติรู้ว่าเห็น ไม่พอใจก็ให้ตัดที่ว่าไม่พอใจแบบนั้นคือคําถามคือจะถามว่าเราสามารถพิจารณาขันห้าในชีวิตประจําวันได้ไหมหรือว่าควรแค่มีสติอย่างเดียวก็พอเนี่ยครับ อ, อถ้าเราไปเจอปัญหาเราก็ต้องพิจารณาแก้ปัญหาถ้ารถเรามีคนมาเอาอะไรมาขีดข่วนนี่เราก็ต้องพิจารณาว่าเราห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องยอมปล่อยให้ขีดไปถ้าเราป้องกันได้เราก็ป้องกันไป จ่าที่มันปลอดภัยถ้ามันช่วยไม่ได้เป็นเหตุสุริสัยก็ต้องปล่อยวางขีดก็ขีดไปเพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่เราควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาต้องพิจารณาตายลักกับเหตุการณ์ในต่างที่เกิดขึ้นเหมือนก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราควบคุมบังคับไม่ได้ขับรถไปฝนจะตกตรงไหนเมื่อไหร่ก็ตกได้ฝนจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ เราไปควบคุมมันได้แต่แต่เราอยู่กับมันได้เราก็อยู่กับมันไปมันตกก็ปล่อยมันตกไปมันหยุดก็แล้วมันก็ปล่อยมันหยุดไปใครจะมาขีดข่วนรถเราก็ปล่อยมันขีดไปถ้าเราป้องกันไม่ได้เพราะเราเงินใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราทุกเจนาว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติขอบคุณครับอันนี้อ่ามีที่บ้านฝากถามครับ ออาจารย์คื อ, อเขาสงสัยว่าการพูดสอดเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพลอเจ้อเป็นการผิดศีลข้อ4ีหรือเปล่าหรือว่าการผิดศีลข้อศีนเนี่ยเจาะจงเฉพาะการพูดเท็จเพราะว่าฟังจากการอารัธนาวะมุสาวาทาอะไรเงี้ยครับใช่ก็สรับศีลข้อศี น, นี้ก็อยู่ที่มุสาคือการพูดเท็จนันเองส่วนการพูดสอเสียดพูดคำหยา พูดเพ้อเจงอันนี้มันเป็นเสิงของนักบวชถ้ามาบวชแล้วก็จะไม่ควรที่จะที่จะมาพูดคําวาจาเหล่านี้ไม่พูดไม่ควรพูดคำหยาบไม่ควรพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันไม่ควรพูดสิ่งที่ไร้สาระ น, นี่จะเป็นของนักบวชถ้าเป็นมาเป็นนักบวชแล้วนี่เขาเรียกอา่าที่เสียงสีงที่สูงสําหรับนักบวช แต่สำหรับผู้ที่ถือศีลห้าศีลแปนีมุสาวาทานก็คือการไม่พูดปดพูดความจริงขอนะขออนุญาตสอบถามอีกคำถามหนึ่งครับการทำทานที่บ่อยไปหรือว่าทำทานเนี่ยมากเกินไปมีผลเสียไหมครับหมายถึงว่าคล้ายๆกับทานอาหารเยอะเกินไปอิ่มเกินไปเงี่ยครับเมื่อเรา ทำทานมากเราย่อมได้พกทรัพย์มากใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายทำให้ติดอยู่ในของปลานีรหรืออะไรแบบนั้นนะครับความจริงเป้าหมายของการทำทานก็เพื่อไม่ให้เรายึดติดกับทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองมันเป็นของไม่แน่นอนเวลามันหายไปหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเรายึดติดกับมัน แต่ถ้าเราไม่ยึดติดกับมันมันจะหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนการทําบุญทําทานนี้เพื่อปล่อยวางไม่ได้ให้หวังโชคคทรับให้ไม่ได้หวังว่าไปสวรรค์อะไรต่างๆอันนี้มันเป็นผลคอยได้เราไม่เราไม่อันนั้นไม่ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือไม่ให้เราทุกข์กับทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ยึดติดเราปล่อยวางเราจะไม่ทุกข์เวลาเงินหมดเงินหายใครมาขโมยเงินเราก็เฉยๆไปมองว่าเป็นอนิจจังไปเป็นของไม่เที่ยงไป อันนี้เป็นปัญญาเป็นการปลดปลื้องความทุกข์ที่มันสร้างให้กับเราพอเราทุกวันนี้ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับเรื่องเงินทองเนี่ยไม่พอใช้เงินทองไม่พอใช้ก็ทุกข์อยากจะมีเงินเยอะๆพอไม่มีเงินเยอะก็ทุกข์เนี่ยนนคือเราพยายามอย่าไปยึดติดอย่าไปเครื่งเงินทองเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเรามากกว่าความสุขนสัส ก, การครับผม อย่างเช่นถ้าทำได้หมดทําไปเลยแล้วไปบวชถ้าทําบวชไม่มีเงินก็ไปบวชเพราะมันไม่มีวิธีเลี้ยงชีพแล้วมันต้องไปอาศัยเป็นการเป็นพระเพื่อจะได้มีวิธีเลี้ยงชีพแต่มันก็ดีพอไปบวชเราก็จะมีวิธีมีเวลาให้ปฏิบัติได้มากขึ้นได้ปล่อยวางได้มากขึ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มากขึ้นนเป้าหมายของการทําทางก็เพื่อให้เราไปบวชกันว่าไงไหมพระุเจ้าสะลาะราชสมบัติเพื่ออนะไรก็เพื่อจะได้ไปบวช ถ้ายังติดราชสมบัติอยู่ก็ไปบวชไม่ได้ถ้ายังติดการเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ก็ไปบวชไม่ได้แต่ถ้าไม่ติดกับสมบัติราชสมบัติต่างๆก็ไปได้ถึงเวลาก็เทงไปได้อันนี้นะ่ะคือเป้าหมายของการทําทานที่แท้จริงทาทานเพื่อปล่อยวางให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไปผูกพันกับทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองนะครับ เช้าค่ะมีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะว่าเคยภาวนามาทั้งวันแล้วตั้งใจจะไปนอนจึงนอนลงเมื่อหัวถึงหมอนจิตรวมออกมาจากกายเราควบคุมให้จิตเราขึ้นไปในทิศทางต่างๆได้สักพักจึงตื่นขึ้นมาควรทำอย่างไรต่อไปครับอ๋อมันเป็นเรื่องความฝันเราไปควบมันก็ฝันไป มันฝันต่อไปอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับเรื่องของความฝันรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันกลับมาอยู่ในปัจจุบันอยู่ในโลกของความเป็นจริงมิตอยู่กับการจะมีสติการควบคุมใจไม่ให้ไปอยากกับอะไรต่างๆเท่านั้นคำถานจากคุณนักกฤษ กราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติขอรับขอโอกาสเมตตาด้วยครับทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานแล้วจาเป็นต้องแผ่ส่วนกุศลหรือไม่ถ้าลืมแผ่วันหลังได้ไหมครับคือเป้าหมายของการทำบุญทำทานนี้ก็เป้าหมายหลักก็คือทำให้เรามีความสุขใจให้เราปล่อยวางไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่เราก็สามารถแบ่งบุญที่เราได้นี้ไปให้กับผู้ล่งรับไปแล้วได้ S <S จะอุทิศบุญก็ได้ไม่อุทิศบุญก็ได้แล้วแต่เราถ้าจะอุทิศก็ควรจะอุทิศตอนที่เราทําเสร็จใหม่ๆเพราะบุญยังเป็นบุญใหม่ๆมันเหมือนอาหารเพิ่งออกมาจากเตามันอร่ามอร่อยถ้าไปรอตอนเย็นมันอาจจะบูดก็ได้ <S <S เหงนบางทีลืมไปแล้วก็ได้ว่าได้ทําบุญวันนี้ <S <S เห็นวเวลาทําบุญเสร็จปั๊กก็ให้กวดอุทิศบุญไปเลยไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ให้ระลึกภายในใจ ขออุที่ส่วนบุญนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ที่ร่วงลับไปแล้วก็สซ้รในประโยชน์แล้วเจ้าค่ะมีคำถามจากคุณสีพลพักดีสายทเจ้าค่ะเมื่อก่อนยมรักษาสิ่งแปดวันเดียวในในวันพระได้ฟังธรรมะพระอาจารย์ ยอมได้เพิ่มวันโกนด้วยสุขใจมากเจ้าค่ะเอะต่อไปก็เพิ่มวันก่อนวันโกนด้วยตอนปฏิบัติก็มักจะเพิ่มวันปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะมันได้ความสุขมากขึ้นหงความทุกข์น้อยลงแล้วต่อไปก็อยากจะปฏิบัติทุกวันคนที่ไปบวชกันส่วนใหญ่ก็ตอนต้นก็ไม่ได้ปฏิบัติทุกวันหรอกแต่พอเริ่มปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลก็เริ่มติดใจก็อยากจะอยากจะปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้น และการที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ทุกวันทุกเวลาก็คือการไปบวชนี mm ่ hmm. พอไปบวชแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการทํามาหากินไม่ต้องไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้อยู่ตามลาพังของเร า, mm hmm. เาไปชุ่งดงในป่านั่งสมาธิเดือนจงมคมได้ทั้งวันทั้งคืนเช้าค่ะจากคุณปายเช้าค่ะกราบนำมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะว่าเมื่อเสียชีวิต ดวงวิญญาณออกจากร่างกายไปแล้วเข้าฝันบุคคลที่ไม่เคยเจอกันเห็นแต่ในรูปภาพซึ่งเป็นบรรดาของคนรักด้วยเสื้อผ้าชุดที่จากไปขอความกระจ่างเจ้าค่ะ อ, อ๋อมันเป็นเรื่องมันทีอาจจะไม่ เ, เรื่องปรุงแต่งมากกว่าเรื่องปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งไปงั้นก็อย่าไปให้สาระความสำคัญกับเรื่องราวเหล่านี้รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกข้ามรู้แล้วก็ปล่อยวางไปผ่านไป มไม่มีคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้จิตปลดพ้นนั่นก็ไม่ต้องไปสนใจเจ้าห่คะจากคุณภูวนาถไข่ไก่ที่ซื้อมาจากตลาดร้านบอกว่าไม่สามารถฟักเป็นตัวได้แบบนี้ผิดศีลการฆ่าสัตว์ไหมครับไม่ผิดหรอกมันมีไก่สองชนิดไข่ที่ฟักตัวถ้าขายฟักตัวนี้แสดงว่ามันมัมนเป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าไปกินมันไปทําลายมันก็เท่าออกับฆ่าเมืน แต่ถ้าเป็นไข่ที่ไม่มีการาพักตัวได้มันก็ไม่เป็นไข่มันก็ไม่เป็นสิ่งที่มีชีวิตก็สามารถที่จะนำมาไปทำเป็นอาหารได้เจ้าค่ะจากคุณจีลาลัฐกระดาบในมัสการครูบาอาจารย์โยมเคยไปช่วยงานวัดแล้วถือศีลแปดอยู่เป็นเวลาหนึ่งพันษาและได้นำหนังสือธรรมะติดตัวออกมาด้วยเมื่อตอนออกจากวัด ตอนนี้หนังสือนั้นไม่อยู่แล้วเนื่องจากปวกกินและนําไปทิ้งหมดแบบนี้จะผิดระบาบมากไหมเจ้าคขาก็อยู่ที่ว่าทางวัดชอนอนุ ญ, ญาตให้อเอาไปหรือเปล่าถ้าเขาอนุ ญ, ญาตให้เราไปได้ก็ไม่บาปถ้าเขาไม่อนุ ญ, ญาตแล้วเราเอาไปก็ถือว่าเป็นการเอาขโมยของของคนอื่นไปก็บาปนั้นก็อย่าไปทําอดีตที่มันผ่านไปแล้วเร า, ากลับไปลบล้างไม่ได้ ก็ต้องรอรับผลกรรมวันใดวันหนึ่งอาจจะมีคนมาขโมยหนังสือเราไปก็ได้ก็ต้องยอมรับนแต่ถ้าอนาคตก็อย่าไปทําบาปอีกต่ออย่าไปทําบาปอย่างนี้ต่อไปถ้ารู้ว่ามันเป็นเป็นบาปก็อย่าไปทํามันใช่ค่ะาจากคุณมาริกากราบเรียนถามเจ้าค่ะวันนี้ทําแบบทดสอบสติ เพื่อนโกรธทั้งๆ ท, ท, ที่เราเจตนาดีลูกควบคุมอารมณ์ได้แสดงว่าลูกมีสติปฏิบัติถูกต้องหรือยังเจ้าคะถ้าใจเราไม่โกรธก็ถือว่าเรามีสติถ้ายังโกรธอยู่ก็แสดงว่าสติยังไม่พอกําลังยังไม่พอก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆสตินี้เหมือนเบรกรถไงเบรกอารม์เบรกใจถ้ามีสติแล้วใจจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลง แต่พอพอยสติปั๊บเดี๋ยวมันก็โลภโกรธขึ้นมาได้มันยังหยุดความโลภโกรธลงแบบถาวรไม่ได้เหมือนปัญญาถ้ามีปัญญานี้มันถ้ามันระงับดับความโลภได้แล้วมันก็จะไม่โลภไปต่อไปแต่ถ้าสตินี้ระงับได้พแต่ต่อไปถ้าไม่มีสติก็อาจจะกลับมาโลภได้เพราะสตินี้ยังไม่สามารถที่จะกำจัดได้อย่างถาวรเหมือนปัญญาจ้ะค่ะคุณสุรโคมคหาถามเข้ามาว่า กลับไปถามพระชาจวันก่อนที่พระชาจพูดเรื่องธาตุหกอยากทราบว่านอกจากดินน้ําลมไฟอีกสองธาตุคืออะไรครับถ้ารู้ก็คือใจแล้วก็อวกาศธาตุก็คือความว่าอย่างที่เราลออยู่ในอวกาศนี่นั่นก็คือความว่างพื้นที่ที่เราจะต้องมีสำหรับให้ธาตุสีตั้งอยู่ได้ธาตุสีร่างกายเราต้องมีพื้นที่ใช่ไหม ถ้าตรงนี้มีคนนั่งเต็มไปหมดแล้วก็เข้ามานั่งไม่ได้ต้องมีอวากาศสาัทธามีความว่าง ม, มีพื้นที่ให้ให้ท่าจิตตั้งอยู่ได้เจ้าค่ะจากคุณไลท์ทูเดย์น้องกราบนมัสการครับถ้าหากกายสังขารเจ็บเราควรตั้งจิตหรือทำใจหลั่งไรที่เหมาะสมครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็อย่าไปสนใจ ให้พุทโธพุทโธไปอยู่กับพุทโธไปความเจ็บก็จะไม่มาลบกวนใจวิธีที่สองก็คือพิจารณาความเจ็บว่ามันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตาถ้าเราไปอยากจะหนีมันอยากจะให้มันหายมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ถ้ามันไม่หายงั้นถ้ามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปหัดอยู่กับมันไปทําใจเฉยๆไปพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน เจ้าค่ะจากยูทูบเจ้าค่ะกราบนมาสการเจ้าค่ะเจ้ากรรมในเวนมีจริงไหมก็คนที่เราไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาก็จะจองเวนจองกรรมเราได้แล้วเราต้องอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมในเวนทุกครั้งที่ทําบุญกุศลหรือมไม่เจ้าค่ะไม่ต้องไปเจอตัวเขาแล้วไปขอโทษเขาหรือขอรับโทษถ้าเขาไม่ให้อภัยก็คุณจะทําอะไรก็ทําไปเอาอยากจะตัดหูวก็ตัดไปจะได้หมดเวนหมดกรรมกันไป เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะไม่ต้องเกรงใจถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ